การเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันต่อไปนี้เป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันซึ่งควรจะได้ทำให้บ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆทำจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบดใดคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอน ก็คิดจะใคล้ครวนถึงความเป็นจริงสี่ประการดังต่อไปนี้ซึ่งหากทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตของผู้นั้นไม่ห่างจากวิปัสสนาและเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคนิพพานคือ 1. มีจิตใกล้ครวนถึงมรณาสติกรรมฐานหรือมรนานุสติกรรมฐานซึ่งก็คือ การใคร่ครวญถึงความตายเป็นอารมณ์อันความมรณะนั้นเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบรรลุถึงพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ตายแต่ก็ยังต้องทรงทอดทิ้งพระสรีระร่างกายไว้ในโลกการระลึกถึงความตายจึงเป็นการเตือนสติให้ตื่นรีบ หากเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามรณสติในวงเล็บการระลึกถึงความตายอันบุคคลทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุด อันมรณสติกรรมฐานนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายซึ่งแม้จะได้บรรลุมรคลแล้วก็ยังไม่ยอมละเพราะยังทรงอารมณ์มรณสตินี้ควบคู่ไปกับวิปัสสนาเพื่อความอยู่เป็นสุขซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มรณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธิจริตคือคนที่ฉลาดการใครครวญถึงความตายเป็นอารมณ์ก็คือการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแก่เท่าแล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ ทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวแก่เท่าสูงต่ำและเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศัก์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วยอมเร่งกระทำความดีและบุญกุศล เกรงกลัวต่อ บ, บาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่ากู่หาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่า หลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่แล้วความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปและเมื่อได้พรากจากไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาห่วงแหนเกาะแน่นอยู่นั้น ก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนสูญเปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้นดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้มาเหนื่อยยากขวนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นจะต้องโมฆะและสูญเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้เลย วรณสติกรรมฐานนั้นเมื่อพิจารณาไป น, น, นานๆจิตจะค่อยๆสงบระ ง, งับจากนิวรณธรรมห้าประการจนที่สุดก็เข้าถึงอุปจารสมาธิซึ่งความจริงกรรมฐานกองนี้เป็นเพียงสมถภาวนาแต่ก็ใกล้กับวิปัสสนาเพราะอารมณ์จิตที่ใช้นั้นเป็นการพิจารณาหาเหตุผลให้รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งหากพลิกการพิจารณาว่าอันชีวิตของคนและสัตว์ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายไม่อาจทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้แล้วก็เป็นวิปัสสนาภาวนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปริณิพานอีกสามเดือนได้ทรงปรงอายุสังขารแล้วตรัสสอนพระอนนท์พร้อมหมู่ภิกษุทั้งหลายว่าอานนท์ตถาคตได้เคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิน้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขาร น, นี้แต่ที่ไหนเล่า การที่จะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วและที่จะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้เป็นได้การปรินิพานของเราตถาคตจะมีในการไม่นานเลยถัดจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจากนิพานสัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อได้ปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกและที่ยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายไปในที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น วัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบรี่แล้วเราจะต้องละพวกเธอไปที่พึงของตัวเองเราได้ทำแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาท ก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกได้และในวันมหาปรินิพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสปัดชิมโอวาทที่เรียกกันว่า ประมาทธรรมสั่งสอนพระสาวกเป็นครั้งสุดท้ายจนดูเหมือนว่าพระธรรม 84% 0 0พันพระธรรมาขันที่ทรงสั่งสอนมานานถึง 45,000 าพรรษาได้มาประมวลประชุมรวมกันในปัจฉิมโอวาสนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด Hmm.